ภิกษุผู้ทำลายสงต้องไปเกิดในอาบายพระอุบาลีทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้ามีอยู่หรือที่ภิกษุผู้ทำลายสงต้องไปเกิดในอาบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับ แก้ไขไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีมีอยู่ที่ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้พระอุบาลีทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้า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 ดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อุบาลีรอีกอย่างหนึ่งภิกษุแสดงอะธรรมว่าเป็นธรรมมีความเห็นอธรรมนั้นว่าเป็นธรรมมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นอธรรมมีความเห็นอธรรมนั้นว่าเป็นธรรมไม่แน่ใจความแตกกันไม่แน่ใจในอธรรมนั้น มีความเห็นความแตกกันว่าเป็นอธรรมไม่แน่ใจในอธรรมนั้นมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นธรรมไม่แน่ใจอธรรมนั <rec> ้นไม่แน่ใจความแตกกันอำมพรางความเห็นอำพรางความเห็นชอบอำพรางความพอใจอัมพรางความประสงค์ประกาศให้จับสลากว่า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 ภิกษุแสดงธรรมว่าเป็นอาธรรมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วิไนว่าเป็นวิไนแสดงวิไนว่ามิใช่วิไนแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้แสดงจริยาวัดที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตาถาคตได้ประพฤติมา แสดงจริยาวัดที่ตถาคตประพฤิมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤิมาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงอนาบัตว่าเป็นอาบัตแสดงอาบัตว่าเป็นอนาบัต แสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตหนักแสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัติเบาแสดงอาบัตมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตไม่มีส่วนเหลือแสดงอาบัตไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตมีส่วนเหลือแสดงอาบัตชั่วยากว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยากแสดงอาบัตไม่ชั่วยากว่าเป็นอาบัตชั่วยาก มีความเห็นธรรมนั้นว่าเป็นอธรรมมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นอธรรมมีความเห็นธรรมนั้นว่าเป็นอธรรมมีความเห็นความแตกกันนั้นว่าเป็นธรรมมีความเห็นธรรมนั้นว่าเป็นอธรรมไม่แน่ใจความแตกกันมีความเห็นอธรรมนั้นว่าเป็นธรรม